ขอพระละวะพระลัตนาไตผู้เป็นดวงใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอบนมัตการคุณครูบาอาจารย์หลงพอ่อคำเขียนที่กรบขอบนมัตการครูบาอาจารย์เทพระเทลานเทละตรทั้ง่นงพี่หลวงพ่อทุกทุกท่าน จเจริญพรญาติโยมอบาติกาทุกทุกท่กทานในที่ทมือลงตามสบายไม่ได้พูดมานานแน่ล ะ, ละว่าจะหยุดพูดว่าจะมาจะไม่พูดกหไมไ่ต้อ ง, ต, อง <c oughs> ต้องพูดไปตา ม, ตามคำ<า>มบอ ก, บอกของครูวายชัน ฟังได้ก็ได้ฟังมาได้ก็สุดแล้วแต่คนฟังพูดพูดก็ต้องจะพูดเรื่อยๆไปพยายามเอาใจใส่ในการปฏริปบัติตามหน้าที่ของพวกเราคือมปป า, อมาปฏิบัติธรรมผู้รักษาศีลเข้ามาปฏิบัติธรรมเหมือนกันตั้ง อ, อกตั้งใจฟัง ถึงในที่ดีก็เอาไ ป, ปพึ่ดไปพึ่ดตามถึงในที่ไม่ดีก็เอาไปทิ้งไปเพราะคนเรานี่เกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยความหลงหลงทางมาตั้งแต่มันเกิดมาการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็ทํามาแต่นานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรามาทวนความโรคความโกรธของหลุมก็ยังอยู่ดำอย่างเดิม ไม่ไม่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาก็ไปถือเอารูปแบบทางนอกไปถือเอาเรื่องเทวดาเรื่องไฟอินพะพมพทั้งไหนใบโรบะบา้านสารก่าวทำาะไรไปก็ให้ได้กับอิทาิพหมดพอเรามาพืชปฏิบัติมาเห็นแล้ว มาเข้าใจแล้วก็มาดูตัวเองให้มาดูตัวเองนั่นแหละทุกทุคนะ่ะแต่ก่อนเราเคยหลงตนน้ำตัวมาตั้งแต่เกิดมาแล้วมันมีกายมีใ จ, มใจไม่กอดเป็นของที่มีอยู่กับเราอยู่ทุกทุกคนน่ะไม่เคยมาได้ศึกษา<ต>เรื่องชีวิตจิตใ จ, จของเราเลยม่มีแต่เอาอยู่รูปแบบน อ, นอกนี่ก็ หาสิ่งที่มาอวดกันมาแข่งกันส่วนที่วิจิตใจถิ่งที่จะพาเราไปสู่สุคติก็ไม่เคยมาค่อยมาดูไปตามความหลงเราตัวเองไปหมดเลยสุดล้วแต่เขาจะพาไปอืเขาพาทุกเรากระทุกกับเขาเขาพาสุกกระสุกับเขาัวแล้วแต่เขาจะพาไป การให้ทานการรักษาสิ้นทำน้อยก็ปัรถนาอนิพานทำมากก็ปัรถนาอนิพ า, ากก น, านามาไม่รู้อนิพานไม่หยุดไปอยู่ที่ไหนวันวั น, วนบวงสวงให้เทพจะปฏิทิดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคนในสากลในโลกเนี่ยให้มาเข้าไปสิงอยู่ในจิตชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้เข้าไปเห็นของที่มีความสุข คือพนิพานนั่นแหละก็ปาถนาอ้อนวอนออย่างนั้นไปแทบทุกคนเลยพอเรามาเข้าใจเนี่ยเราก็เข้ามาเข้าใจตัวเองมารักษาตัวเองมาดูตัวเองเอาส่งใจไปไหว้กับตั้งแต่ก่อนเอาส่งใจไปไหว้กับคนนั้นเอาไปไหว้กับคนนี้ท่องเที่ยวไปตามวัตะสงสารไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นกังคืนนอนฝันกลางวันนั่งคิด ก็ไปตีโพยตีภายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปปรารถนาไปอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนบันดาลใจให้ออกจากสิ่งที่ไม่ดีให้มีแต่ความดีๆนั่นแหละเข้ามาถิงอยู่ในจิตใจของเรามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นพอเรามาปฏิบัตินี้ก็คือ มาดูตัวเองนี่แหละของศักดิ์สิทธิ์ของสําคัญมีกายกับมีใจเนี่กกกกยทุกข์กับทุกข์กับกายเขาเนี่ะพาทุกข์อ่ะพาใจใจก็พาทุกข์กิดกายก็พาทุกข์มันก็ไปทุกข์กนทั้งทางอะไรเกิดขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์ไปกับหมดกันมาเลยทั้งอันดีทั้งอันชั่วก็ไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนีนงนน้เรื่อยๆเรื่อยๆไป พอเรามาประพฤปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านมาสั่งสอนก็มาให้ดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยเรามีกายเรามีใจแล้วก็ไปที่ไหนก็มีกายมีใจนี่แหละพาไปแต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้ว่ากายว่าใจอะไรมีตัวเจริญเนี่ยมันมาครอบงำเราอยู่เนี่ยมันพาท่องเที่ยวอยู่วัดสงสารเนี่ย ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันสารพัดทั้งแต่มันจะคิดไปมาเราท่องเที่ยวไปตามอาการของของมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เราพยายามมาดูตัวเองพอมาดูคนนี้ก็มาเห็นกายเคลื่อนไหวไม่เห็นใจนึกคิดอย่างเนี้ยอะไรเกิดก็ให้มันเกิดแต่ก่อนเราเคยไปข้ามมันไม่อยากให้มันเกิด ติงในที่ดีๆมันเกิดขึ้นมาก็อยากไม่อยากให้มันหนีก็อยากให้มันอยู่กับเราเนี่เป็นประจำไปเพ่งไปจ้องมันอก็ได้รับความทุกข์เกิดขึ้นมาให้เราเห็นอเราก็ไปเป็นกับมันไม่อยากให้มันเกิดไปบังคับให้มันหนีอไปเพ่งไปจ้องไปมองกลวแต่มันจะนั่นอยากจะให้มันหนีไปตัวไหนที่มันไม่ดี พอไปถึงอันสิ่งที่ดีไปก็ไปติดสิ่งที่ดีๆอีกอไม่อยากจะให้มันหนีไปไหนนะบ้าเนี่ยไปไหนก็ทํานําตามมันไปกดไปเพ่งไปจ้องมันอรับางทีแน่นหน้าอกบ้างบางทีก็มึนซาไปตามร่างกายร่างตัวตามเมื่อตามตัวของเราบางทีก็ไปปวดหัวบางทีก็มุนเซียไปตามร่างกายสารพัดแต่มันจะเป็น เ้าก็ไปนั่นแหละไปจ้องไปมองมันนี่ยอยากให้มันหนีไปบังคับให้มันหนีอยากอยากให้มันไม่อยากให้มันเกิดมันเป็นอยู่นั้นตลอดไปอันดีมันก็ไปติดอันชั่วมันก็ไปติดหมดว่าแต่มันจะดีจึงนั้นจะดีสิ่งนี้จะดีมันมันจะเป็นอยู่นั้นบทดตอนมาเห็นแล้วก็มาดูกายมาดูใจเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันก็เห็น เราไปบังคับมันก็ไม่ได้รอกเราไบังคับมันไม่ได้ถึงที่มาเกิดเนี่ยปล่อยให้มันเกิดให้มันเห็นเห็นแนวก็ให้เราก็ดูเฉยเฉยตัวพึ่งเราก็คือตัวรู้จึกเนี่ยคือกายคือใจของเรานี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์รูปนามคืออารมณ์รูปนามเนี่ยให้มันเห็นรูปรูปนามก็คือกายคือใจนั้นมันเกอนไว้เนี่ยอมันทุกข์ขึ้นเราก็เห็นมันทุกข์เราก็เห็นทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็ไม่แน่นอน เมื่อเกิดมาช่วงขนาดหนึ่งคนหนึ่งขนาดหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปมั่นอยู่อย่างนั้นนะเขาก็มาค่อยมามาพืชปฏิบัติเขามันก็ค่อยเห็นไปเห็นไปเห็นรูปเห็นนามเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปเห็นความคิดขึ้นมาดูไกลเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็แลี้วไปทิ้งไปพร้อมคิดขึ้นมาเนี่ยเอแต่ก่อนเราเคยไปติดในความคิด คิดดีแล้วก็ไปพออกพอใจมันคิดไม่ดีก็อยากให้มันหนีไปไม่อยากให้มันเกิดมันก็เป็นอยู่นั้นแหละเราไม่รู้จกเปลี่ยนเราต้องไป่ักดูมันก็เป็นทุกข์อูนบางทีดีบ้างบางทีชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันอยู่งั้นแหละความง่วงเงาห่อนความบางเดชสงสัยอะไรก็เกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยอยู่งั้นสงสัยอย่างนั้นสงสัยอย่างนี้ สงสัยไม่มีไม่มีสว่างในจิตในใจของเราเลยเพราะว่าเราไม่เข้ามันไปผิดทางมันไม่ถูกทางมันอของที่ถูกทางนี่ก็จิตใจของเราเนี่ยมันอยู่เฉยๆอย่าให้มันปลุกแต่งไปทั้งนั้นทั้งนี้ให้มันอยู่ในอธรรมชาติของมันอยู่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันดีๆเนี่ยมากว่าดี อะไรเกิดขึ้นก็ให้เราเป็นผู้ผดูเพรเห็นประมันเห็นแล้วก็ไม่ต้องไป บ, บังคับมันมาอาศัยตัวรู้สึกเนี่ยยกมือขึ้นก็รู้จั ก, จกเอาเอามือขึ้นก็รู้จั ก, จกเอามือลงก็รู้จั ก, จกเราเป็นผู้รู้เฉยๆเป็นผู้ดูเฉยๆยามเวลาเดินก็เหมือนกันเดินอยู่นี่เท่ามันคิดออกนอกไป เราก็มาเข้าอยู่ในตัวรู้สึกนี่เราจะไปบังคับมันตัวที่มันมันคิดนั่นน่ะดูแล้วก็แล้วไปมาอยู่การเคลื่อนไหวพอมาอยู่การเคลื่อนไหวนี่ความคิดมันก็หายไปเนี่ยพอมันเข้ามาหาตัวเรามันก็เป็นตัวรู้สึกนี่ยะตัวความคิดนั่นน่ะถ้ามันออกทอกไปมันก็เป็นมันเป็นความคิดถ้าเข้ามาหาเราตัวเนี่ยเป็นตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี้แหละ ให้เรามาฝึกไว้มันออกหนีไปน่ะให้ให้มากายมาดูกายกับใจของเราเนี่ยมันเป็นของคู่กันมาแต่เกิดให้มันอยู่ด้วยกันให้มันน็ตตนหนิดแนบแน่นกันพื้นฐานของเราที่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยอย่าทิ้งไม่ได้ทิ้งกายกับใจของเราเนี่ยอย่าเดินไปกลับไปกลับมาไม่เคลื่อนไหวไปด้วยวิธีใดก็ให้รู้ให้รู้ เน่ยจะตั้งแต่เรานอนตื่นขึ้นไปนี่แหละมันอะไรเกิดขึ้นให้เราดักดูกายของเราเนี่ยมันจะคิดจะจะจะับบายจะบายแกเคลื่อนไหวไปที่ไหนมาไหนก็ให้เรารู้จักเนี่ยค่อยค่อยดูไปอืมอะไรเกิดเกิดความมาเกิดดูการเคลื่อนไหวของเราเล่นเดินไปเวลาเราน อ, นอนเล่นอยู่เฉก็กำมือเหยียบมือก็ได้ ถ้าเรานอนอยู่กลางคืนตอนที่รู้ตื่นขึ้นมาอต้องไม่ใช่ว่าแต่ว่าถ้ามันนอนตะเลอตะเลอไปเป็นเิดเพลินกับความสนุกสนานเราไปแบบนั้นก็ไม่ถูกมันจะหลับไปก็ตามมันหรือมันจะตื่นอยู่ก็เราก็กำลังเล่นๆไปอถ้าเราหลับไปมากก็หยุดไปก็เรากำมือเล่นๆไปอ พอลุกึ่ขึ้นอีกถ้าเราลุกขึ้นมาเราก็ต้องดูการเคลื่อนไหวมันเล่นๆไปแต่พิกเคีงติงตัวจะลุกขึ้นก็ให้รู้จักพิจารณาตัวเองน่ะจะไปจับผ้าห่มผ้าอะไรหรือกู้มุงกูอะไรก็แล้วแต่พับเสื้อพับผ้าพับอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้อยู่ตามน่ะคอยดูไปเล่นๆไป ให้อยู่กับตัวเองอยู่เนี่ยอยู่ในปัจจุบันขณะที่มันเคลื่อนไหวไปมาไปนี้นะให้เราอยู่กับตัวนี้ถ้าลองออกจากตัวนี้ไปก็เป็นหลงทาง่าอีกถ้าหลงทางก็ความคิดแต่และเราก็กลับขึ้นมาไม่ต้องแบ่เอาอะไรทำเล่นๆไม่ต้องไปทำเอาจริงเอาจังหรอกอยากเมื่อเหนื่อยก็ให้ดูมั น, มนแต่ว่าอย่าไปตามใจมันเนี่ยมันมัน อยากลุกอยากนั่งอยากเดินไปที่ไหนนั่นน่ะเวลาเราทํางานอยู่ท<ำ>ํานั่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องดูมันก่อ น, นอห้ามมันไว้มันคิดไปเราก็เห็นมั น, นเห็นมันเราก็ไม่ไม่ต้องพักมันหรอกถ้ามันยังดังเลสงสัยหรือว่ายังฟุงงซ่านลําคาญแล้วแล้วแต่ให้เราพยายามดูตัว น, นั้นให้มันดีเออออกจากอย่าอย่าหนีมัน ให้ดูมันไปเรื่อยๆไปอย่าอย่าดูไปแต่อย่าไปอยู่กับมันมาอยู่ต่อรู้สึกเนี่ยอย่าไพาด่วนมันมาไปพักเราไม่ต้องไปเชื่อมอะไรสักอย่างเดียวเลยแหละอันจิตใจของเรานั่นน่ะเอากายนี่แหละเคลื่อนไว้ให้มันเห็นอยู่ตลอดเวลาอถ้าไม่มีอะไรไม่ทำไม่ได้ทําการทํางานเราก็ดูลมหายใจเล่นออกเล่นหาให้หางานให้ใจทํา ให้มันอยู่พักที่บ้านที่เรือนมันให้ทำอยู่แบบนั้นทำเล่นเล่นไปค่อยๆทำไปมันจะแยกได้แล้วขวาหายใจอาปากกันแล้วก็แลแต่ตัวแล้วแต่เราจะใช้มันหาทิ่งที่ให้มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเท้าทำได้อยู่อย่างนั้นน่ะมันจะค่อยลู่ไปเองอะไรก็มันจะค่อยจะค่อยเป็นของมันเอง เราจะไปบังคับไม่ต้องไปอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ไปคิดเอาอย่างนั้นไม่ได้ลงมาดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยดูไปดูมาอะไรจะเกิดบ้างเนี่ยบางทีถูกบางทีทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของเขามันทองเที่ยวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้จักมันนะถ้าเรารู้จักเราจะรู้จักหลบหลีกรู้จักวิธีพักเวลาอะไรเราก็รู้จักจิตใจของเราเราก็ได้รับแต่ความสงบเรื่อยๆเรื่อยๆไป เรื่องคิดเรื่องอะไรนั่นห้ามมันไม่ได้สักอย่างเดียวสิ่งที่เกิดมาเนี่ยให้ตั้งใจดีๆให้มันเป็นกลางดีก็มันก็เท่านั้นแหละอันชั่วมันก็เท่านั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นจะไปบ้างบังคับบันชามันก็ไม่ได้เราไม่ต้องไปอยู่กับมันไม่ต้องไปสนทนากับมันเมมาอยู่กายเค้ื่อนไหวมาอสศกายเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องเดียว มาคิดแล้วคิดอีกมันเป็นแล้วเป็นอีกมันเป็นอยู่นั่นก็ตามมันเราก็มาอยู่ความปกติของเราที่เราฝึกอยู่ทุกวันทุกวันนี่แหละถ้าเราทำความรู้สึกติดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจิตใจของเรามันก็ค่อยสงบมันจะค่อยสบายมันจะค่อยเบาเนื้อเบาตัวเบากายแล้วก็อะไรเกิดขึ้นมาเราก็อย่าไปเคี่ยวมันเราก็ค่อยพยายามประคับประคอง ใจิตใจของเรานั้นน่ะให้เมตมาทิฏคือความตั้งใจมันมาดูกายของเราเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้เลื่อยๆไปกายกับใจเนี่ยอย่าไปทิ้งอยู่นี่แหละพวกวนเวียนไหวตายเกิดอยู่นี่แหละไม่ต้องไปหนีจากมันมันเป็นอะไรก็ให้เรารู้ตามเหตุการณ์ ท, ทันเวลาเห็นแล้วก็ทิง้งไปเห็นแล้วก็แล้วไปอย่าไปยึดมั่นถือมันในสิ่งที่มันเกิดดีก็ตามชั่วก็ตาม ปล่อยวางไปเรื่อยๆไปจิตใจของเราเมื่อก็ค่อยดีใจค่อยมีความภาคภูมิใจตัวเองมันเกิดขึ้นเองมีปิติมีความอิ่มอกอิ่มใจอย่างนี้ก็ช่างมันอยากเข้าไปเปลียนแล้วแต่แต่ว่าเรามันดีแล้วมันเกิดขึ้นให้เรามาเห็นอันถึงที่มันดีเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความภาคภูมิใจความขยันหมั่นเพียรความหนักความเบามันจะเกิดขึ้นให้เราเห็น เห็นแล้วว่าความสว่างในอกในใจของเราเราก็ค่อยอมันค่อยเดเป็นของมันเองให้เราพยายามอย่าไปทิ้งความรู้สึกต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรจะไปละทิ้งทิ้งที่มันเป็นประโยชน์ทิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้ก็มีประโยชน์เหมือนกันคือว่าเราเห็นแล้วเราทิา้งได้เราไม่ต้องไปสนใจว่าของนี่มันไม่ดีอ อะไรก็มันเป็นเมื่อก็ค่อยห่างออกห่างออก ừ, ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเข้าแล้วมันก็ค่อยจิตใจของเราเนี้ยมันก็าว่างสวายอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้รู้แล้วก็เมื่อก็หายไปรู้แล้วก็หายไปแล้วก็จิตใจเ็าเป็นปกติ ừ, ทำให้เราขยันหมั่นเพียรในการที่ประฝึกปฏิบัติจะนี้ไปไหนก็ไม่อยากไป จิตใจของเขาล่ออ่อนน้อมถ่อมตัวมีแต่ความสมานตะวกขีกันเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาก็ถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราเดินเข้าไปหาคำความบัตรความตายทุกวันทุกวันเป็นอะไรก็ให้เราเข้าใจในชีวิตของเราเนี่ยก็ได้แต่มันจะเกิดบังคับบัญชามันไม่ได้แต่ว่าจิตใจของเรานี่ให้มันดี อย่าไปเป็นน้ำมันตามมันมันเป็นอยู่อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแกไปห้ามมันไม่ได้ให้มีเรามีสติเท่าทันอะไรเกิดขึ้นมาให้มีสติเท่าทันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้รู้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไลยให้มันเป็นดีแล้วก็เราก็ดูเรื่อยๆเรื่อยๆไปสิ่งที่มันมาทำให้เราเป็นทุกข์ก็ไม่มีอะไร ก็มีแต่แต่ความหลงความลืมความนั่นเราของเรานี่แหละมันไม่ทนันชีวิตจิตใจของเรามันพาเดินตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักมันมันก็จะพาไปอยู่นั่นับไปกลับมาเวียนทย่ายเวียนขวาไปหน้ามาหลังบุ่นวายอยู่งั่นแหละทั้งอดีตทั้งอานาคตคิดแ้วคิดอีกสิ่งที่เป็นมาแล้วมันก็เอามาคิดถ้าเราไม่มีสติเพราะฉะนั้นให้เราพยายาม ยกมือขึ้นเนี่ยให้เห็นจะยกเฉยๆบางทีว่าเราเท่าททำเป็นแล้วน่นยกมือไปเอามือมาแล้วก็ตาเหลียวไปทางนั้นหนาตาเหลียวไปทางนี้กีดใจมันก็ไปตามที่เราเห็นนั่นแหละทำให้อารมณ์นันออกนอกไปไมล้ก็ไปเอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดเราไม่เห็นมันเพราะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยให้มันทำจะได้จริงๆไม่ใช่ว่ายกมือเล่นพลิกมือก็ให้รู้จักจ เอามือขึ้นก็รู้จั ก, จกเอามือลงมาก็จกักค้องมือลงไปรู้จั ก, จกมือไส้มือขว า, ามันเคลื่อนไหวอยู่ะให้ใจมันนําไปดูด้วยกันนะให้มันเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นในการเคลื่อนไหวให้มันดูอยู่นั้นแนหะอะไรเกิดขึ้นมาให้เราเป็นผู้รู้รู้แล้วก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ทิ้งไปเกิดยกใหม่รู้ใหม่ให้มันรู้ไปเรื่อยๆไปอยู่อย่างนั้นแหะเรื่อง เก่าเรื่องเดิมเนี่นแหละยกโลกให้ดูยกก็เห็นอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่เนี่ยค่อยๆทําไปอะไรเกิดขึ้นมาให้เรารู้จกักให้เจ้าเข้าใจเราอยากไปเคียวมั น, มนอะไรเกิดขึ้นมาก็<อ>ให้ดูเฉยๆดูเล่นๆไปมันไม่แน่นอนทักอย่างดอกอไม่มีสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นมาเราเห็นแล้วเราก็ไปพอใจกับมันอย่างนั้นก็มันก็ไม่ถูก ถ้าเห็นแล้วก็โอ้อันนี้มันก็เป็นอย่างนี้เองมันก็เป็นของเทียม่เที่ยงไปเดียวดาวมันก็หนีออกไปอย่างเนี้อ่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ดูตามอาการของมนที่มันเกิดให้เราเห็นนั่นแหละตัวแล้วแต่มันจะเป็นเราจะพยายามไปบังคับอยากไปอย่างได้อยากดีอะไรมีแต่แต่ไม่ต้องให้มันหลงมันลืมพอมันหลงปั๊บเราก็มาทําความรู้สึกตัวให้มันกลับขึ้นมาให้มันรู้เท่ารู้ทัน รู้เท่าทันเหตุการณ์เวลาของมันแล้วก็มันจะค่อยดีไปเองตัวรู้ตัวดีถ้าเราทําไปแล้วน่ะมันจะจัดแจงของมันเองไม่มีอะไรจะมารู้ด้วยหรอกมีตัวตัวรู้อะคือตัวสติตัวปัญญาเนี่ยมันรู้เท่าทันมันเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดขึ้นแล้วก็เราก็เห็นเห็นแล้วเมื่อก็เมื่อไปอยู่กับมันเมื่อก็หนีไปปรดเดี๋ยวอาการอันอื่นเมื่อก็เกิดขึ้นมาอีก กิขึ้นมาอีกเราเห็นเห็นรูดเท่ารูดทานมันก็ก็หนีไปห่างไปออกไปเรื่อยไปเออถ้าเราหลงหรือไปเชียยมันอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาเราเห็นอยู่เรื่อยเออมันจะกลับขึ้นมาอยู่นั่นแหละถ้าเราไปอยู่กับมันอ่ะมันไปเชียยมันะอย่าไปเชี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่องธรรมดาปล่อยวางใจอะไรเกิดขึ้นมันก็ให้มันมาอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะดับก็ให้มันดับมันธรรมดาเรื่องมันมันมีการเกิดดับมันอยู่มันเป็นอยู่ธรรมดาอยู่อย่างนี้ ไม่มีสิ่งที่จะดีตลอดไปหรอกมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราไม่ไปเป็นกองมันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เขาก็ดีเราก็ดีนั่นแหละมันดูเท่าทันกันแล้วก็เขาก็ไม่สนใจกับเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับเขาเรื่องอะไรเกิดคึ้นมาเกิดไปเป็นเรื่องธรรมดามันจะเป็นอยู่นั้น เพราะฉะนั้นให้พยายามทํำเราเระวังให้ดีอย่าประมาทเราเกิดขึ้นมาเนี่ยดีที่สุดเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยบุญอันนี้เป็นบุญยอดบุญยอดกุศลอยู่ในโลกุตละนี่แล้วโลกุตละเป็นแบบนี้มาสอนแบบนี้เราอย่าไปติดอะไรเกิดขึ้นมามันอยู่ด้วยกันนี่แหละโลกิยาคืออยู่นี่โลกุตละคือยู่นี่มันปะสมกันอยู่นี่ให้ตั้เรกอชัเอา สิงไนที่เราไปติดกับมันน่ะอติดสงบติดอะไรก็ไม่ได้ความสงบนี่คือเราไม่ปรุงแต่งเท่านันหละอะไรขึ้นมาเราไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงเราก็ต้องไม่ต้องไปสนใจกับมันไม่ก็ปล่อยไปไม่เกิดขึ้นมาเราก็ทําเหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละเออมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น โอ้ความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้เด้แนวโลกอเนี่ยมันไม่แน่นอนอะไรเกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อาจจะดับมันก็ดับไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เรารู้ทันเรามก็ค่อยสบายไปนั่นแหละให้ระวังอย่าประมาทบุญวัฒนาบารมีมาได้ร่วมแล้วมาร่วมบุญร่วมกุศลอันยอดบุญยอดกุศลคือมาทำแบบนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยให้เราเข้าใจ จิตใจของเรามันจะสงบถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในถิ่งนี้ถิ่งนั้นถิ่งนี้แล้วก็เราปล่อยให้จิตใจนะมันเป็นปกติอะไรเกิดขึ้นให้รู้เท่ารู้ทันอ่ะจิตใจของเรามันจะสว่างสวยมันจะเบิกแกบานมันจะเบาอะไรเกิดมาเนี่ยให้รู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ทันเวลาเกิดมาปั๊บเราเห็นปั๊บเกิดมาเราเห็นปั๊บถ้าเห็นความคิดเนี่ยถ้าเห็นปั๊บเนี่ยมันถ้าจิตตติของเรามันแก่กาแล้วน่ะมันจะหลุดออกไปเลย มันไม่อยู่แน่นอนไม่ไม่ไม่ไปติดเหมือนเรานี่ยแหะประเด็ดการบวชเนี่ยประเด็ดการบวชเนี่ยมันมันเน่ไม่เนี่ยมันยังไม่ขาดนะอันนั้นน่ะคิดถ้าคิดเราไปติดดู่มันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามันแก่กาแล้วอ่ะพอมันเรารู้ปั๊บเนี่ยมันจะขาดออกไปเลยไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรจะมาห่วงมาติดผันมันจะจิตใจของเราจะเบิกจะบานจะสว่างสวัย มันจะเบาเนื้อเบาตัวเบาทั้งกายเบาทั้งใจไปที่ไหนก็ไปคล้องมาคล้องความม่วงเอาหา้าวนอนความลังเลสงสัยเลิกไม่มีการลังเล RS สงสัยไม่ตั้งแนบมันเป็นอยู่อย่างนีน้เราไปสงสัยอย่างนั้นอย่างนีน้นะเพราะว่าเราไปไ ป, ไปคิดของที่มันเกิดขึ้นมาเก่าๆนั่นอ่ะเอาเกิดขึ้นมาแล้วก็เราเอามาคิดอีกอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ไปติดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าเรารู้จักแล้วโอ้มันเรื่องธรรมดาดอเนี่ยเราแต่ก่อนเราเคยไปติดเราเคยไปบังคับมันทําให้เราเป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราวันนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับมันเนี่ยมันก็ห่างออกไปเราไม่เครียดมันจะแทบมันก็ค่อยห่างออกไปห่างออกไปมันก็จะดูความคิดมันก็ดูยากจะลอยคอยมันคิดมันก็ไม่ไม่คิดให้เห็นหรอกถ้าเราอยู่กับตัวรู้สึกฝึกเอาให้มันสนิด กันรูปกับน้ำเนี่ยมาอาศัยรูปอาศัยน้ำนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นนี่ให้มาอยู่กับตัวรูปตึกนี่กายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจจารับรู้เวลาเดินอยู่เหยียบพื้นผัดสัมผัสกับพื้นปั๊บรู้เลยรู้เลยรู้รู้รู้ยกใหม่รู้ใหม่ยกใหม่รู้ใหม่ถ้ามันไปติดอยู่น่ะเราก็ทำให้มันแรงๆทาให้มันเข้าใจบางทีมันก็ มักให้มันแรงก็ได้มักให้มันค่อยก็ได้ไดตัวแล้วแต่ใครจะพิจารณาออาตันชีวิตของใครชีวิตของมันอนิสัยของใครของมันบางทีก็มักแรงบ้างบางทีก็มักค่อ ย, บอยๆบ้างนัง่นแหละพวกเรานี่ยถ้าไม่มาตอนนี้ถ้ามาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิด ว, วนเวียนเเเววีียยนนนนไปตายเกิดอยู่ในพบในชาตินี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเออ เกิดแล้วก็ตายตายไปเราก็ไปใช้ท่าใช้กรรมเรามานี่นั้นทาเรามามาฝึกปาหัดเนี่ยเรามามาสร้างกรรมให้ตัวเองเราไม่รู้จักหรอกตั้งแต่เราทําบุญให้ทานไปนี่แหละให้คิดเอาตัวบุญเป็นยังไงตัวบาปเป็นยังไงเรามาเข้าใจแล้วตั้งแต่ก่อนนั่เราค่าตัดตัดชตวิตเอาเครื่องมามัวเมากันเอาหน้าเมามาให้กันกินนึงเนี่ยเลี่ยงกันอยู่ตลอดเวลางานแล้วก็ยังไม่แล้วยังไม่เลิก ยังเอากันอยู่งั้นแหละไม่ได้สร้างบาปเลยทํำสร้างบุญพอเรามาเห็นเนี่ยโอ้หลวงปู่ท่านว่าเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่มันเป็นยังไงมันดีไหมเอาของเอาอย่างนั้นมาล้างกันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละได้อยู่ได้ทุกอย่างตัวแล้วแต่เราจะทําไปทําบุญทําทานในทานได้ทุกอย่างแต่ว่ามันมันจะใช้ทางจริงหรือไม่ ได้อยู่อย่างที่เรานี่แหละอย่โลกนี่มันเป็นอยู่นั้นจะไม่ให้โกรธทําไม่ได้จะไม่เครียดไม่อิจฉาไม่พยาบาทกันไม่ได้นั่นแหละบุญเก่าเราตางมาอย่างนั้นก็ได้อยู่อย่างนี้แหละบกพรอวยวนไหตายเกิดอยู่นี่แหละปรเดี๋วดีปรเดี๋ยวชั่วปรเดี๋ยวรักประเดียดเด๋ยวชัวววชง อ, อสุดแล้วแต่เพราะว่าการการะทําของเรามันไม่ออกจากสิ่งที่มันเป็นเนี่ยไปสร้างขึ้นมาเราเกิดขึมาเนี่ยเราสร้างแบบนี้ มายื่ในโลกียะของเราเนี่ยเอาลัดเอาเปรียบกันเพราอะไรเพราะการกระทาของเราเนี่ยอยากได้นั้นอยากได้นี่จะเป็นนั้นเป็นนี่เรวก็แย่งคียงกันตุนแล้วแต่ใครใหญ่อยากได้อะไรไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยมันมันเป็นอยู่นั้นไม่รู้จักปลดจากปล่อยจาละจากวางมีแต่สร้างกรรมให้ตัวเองหลวงพ่อว่าเกิดขึ้นมานี่ถ้าไม่มาพบสิ่งนี้เนี่ยเกิดมาเล่น เกิดมาไม่มีปัญหาอะไรเลยมีแต่เอาความทุกข์มาให้ตัวเองทางที่ไปทางสบายไปทางโลกุตระเนี่ยมันไม่ใกล้กันไกลไกลกันแท้แท้เขาเป็นบุญเป็นทานเนี่ยคุณว่าหลวงพอคิดอยู่คนเดียวดอกโอ้พวกทัดนรกเขาทำบุญกันเราก็ทำมาแล้วนะผมเคยทำมาเหมือนกันทำมาทุกทุกคนนะแต่ไม่รู้จัก ไปเอาเนื้อเอาสัตว์เอาอะไรมาฆ่ากันตั้งหมูไปกี่หมดกี่ตัววาจะหมดกี่ตัวคอยหมดจากตัวกี่ตัวแล้วก็เอาน้ํามาหมอมมาอะไรกันเนี่ยน้าเมาอะเอาเล่าเอาอะไรมาให้กันกินดื่มฉันน้วยนะตอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลายวันหลายคืนก็มีแล้วก็แข่งกันใครก็ควาแต่ควาใครจะไม่ได้บุญมากกว่ากัน มีแตานะทุ่มเทไปตะพึ้ตะพือไปหมดเท่าไรก็ไม่นั่นไม่ไม่ได้ยดจะเพลิดเพลินไปอยู่กับติ่งนั้นน่ะเนี่ยเราสร้างขึ้นอย่างนั้นก็เป็นสมบัติของเรานั่นแหละที่เราจะไปได้ไปไปครองกันน้อยเวลาเกิดชาติใหม่อีกมันก็จะเป็นอยู่นั้นน่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเข้าไปในป่าทึบไม่รู้อยากรั้ออกเนี่ยใครเข้ามาเนี่ย มันมีดิตมีละชาติมีรถมีชาติมีดิตมีเดดมากเรามสามารถที่ครอบงําจิตใจของเรานั้นน่ะผูกไว้ไม่ให้ออกหนีไปเซนในได้ละโลกอนป่าเนี่ยคือเราเกิดมาเนี่ยแหละเกิดมาเนี่ยทําอะไรไว้มีแต่ติ่งไปติดหมดคิดถึงนั่นบ้างคิดถึงนี้บ้างเห็นแล้วก็ควรจะเสียหายควรจะรักษาไม่ตลอดแล้วก็ไปบังคับบัญชากันว่ากัน ทํางานทําการเหมือนกันเอาใจใส่อยู่ในอยู่บ้านตัวเองนี่แหละคนนั่นดีคนนี้เชื่อมันบัทรเลาะกันอย่างอยู่ในบ้านเรียนของเราเนี่ยก็ทุบเท้ไปแล้วก็ไปหาคนอื่นอีกเป็นไรเป็นนาเป็นสวนอะไรที่อยู่ใกล้ๆกันก็ไปเคีงก็ตั้งแต่ศอกหนึ่งถึงว่าหนึ่งจอหนึ่ง12นิ้วคืึ่งนึสองครึ่มันก็ไม่ยอมให้กันะมีแต่เอาลัดเอาเบียบกันนะ บ่านี้ก็เถียงเนี่ยเวลาเถียงอันนี้ก็กลัวใครกัต่างคนต่างอยากชนะให้มันดีก็เขาให้มันมากก็เขาอยากให้เขาหนีอยากให้เขากลัวเราพราะเอาเรื่องสิ่งนั้นมาพูดเอาจริงนี่มาพูดทับถมกันเขาก็เจ๋งเหมือนกันเราก็เจ๋งเหมือนเอาไปมากระลวงรอยฆ่ากันก็มีตีต่อยกันไปสารพัดทั้งๆมันจะเป็นเนี่ยว่าตแต่ัวเองทําดีชนะเขาเราเป็นดีแล้ว แต่ที่จริงนะโง่ความโง่ของคนน่ะเป็นสมบัติของเราทั้งหมดเลยไม่ใช่ที่ไหนนี่ติงที่เนี่ยทามาทํำมาโลกเมืองบ้านเมืองเขาเออมันไม่มีความสมัคคีกันเพราะว่าเราทำไว้แล้วนี่น่ยคือชาตินี้เราฆ่าเขาชาติต่อไปเขาฆ่าเรามันจะเปลี่ยนแปลงกันอยู่ไปตลอดเรื่อยๆไปกรรมของใครกรรมของมันถ้าเราไม่ออกจาก สิ่งนั้นน่ะบ่มามาประเพื่อปฏิบัติแบบเรามาทำอยู่เนี้ยเราจะไม่รู้เลยอันนั้นมันมีพิษมีคนเล่เหลี่ยมตารพัศเลยมีแต่แนี่สิ่งที่ไปติดทั้งหมดเลยแข่งดีแข่งชั่วกันไปตะพื้ตะเพือรัตเอาเปรียบกันไปมันมันไม่มีจดด่อนผ่อนพันในกันเนี่ยมีแต่สร้างความวุ่นวายให้บ้านประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้รับอยู่เย็นเป็นทุข มันมันเป็นอยางนั้นันเพราะฉะนั้นให้เราทำตั้งจากอกตั้งใจเอาเนี่ยมาก็นั่นแหละเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาตายไม่ได้เกิดมาทำอะไรหรอกคือมามามาเอาที่นี่มาเอาที่นี่ของดีอยู่ที่นี่ของชั่วก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ในเมืองมนุษย์นี่ทั้งหมดเลยอันดีอันชั่วอันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ สารพัดตั้งแต่อยู่นี่ตัวแล้วแต่ใครจะเรียกเอาตัวใครตัวมันไม่บังคับกันตัวแล้วแต่ใครจะเอาอะไรตามกิเลสตามตัญหาของเรานั่นแหละมันพาไปเองกรรมของเราเนี่ยมันพาไปเองสิ่งใดคนเขาที่ไม่มีกรรมเขาเคยได้สร้างสร้างน้ํำตำบนเนี่ยเขาเห็นเราทำเนี่ยเขาจะเลิกนี้ไปเลยเขาจะไม่เอาเลยคนพวกเราเราก็หาว่าเป็นที่สนุกสนานทําอะไรก็ไปติดเอาหมดอย่างเนี้ย นั่นะเรานี่ก็เดินไปหาความตายหมดทุกวันทุกวันวันละเก้าละเก้าแหละเป็นสัตว์ที่ตัดถินประหารไว้แล้วเวลาแต่จะตายนั่นแหะเรายังไม่เห็นไม่รู้จักตัวเลวแต่ใครจะเดินไปถึงใครดักประหารของเรามันมีอยู่คนไปถึงคนไปตายไปไปถึงก่อนก็ตายก่อนเด็กตายก่อนผู้ใหญ่ก็มีผู้เท่าผู้แก่ตายหลังที่หลังก็มี เนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ให้เราอย่าประมาทเกิดมาแล้วก็รีบเร่งทำของไขวงมันทำปัจจุบันให้ดีไม่ต้องไปปรารถนาไปอ้อนวอนว่าแต่ทำปัจจุบันให้มันดีถ้าปัจจุบันดีแล้วไปคาหน้าน่ไม่ต้องมีหวังได้ทุกอย่างเลยถ้าเราทำดีแล้วถ้าทาชั่วก็ได้ชั่วนั่นแหละาชั่วนั่นาย่ไม่ชั่วอย่าไปทำ ให้พยายามปล่อยปล่าเลยละเว้นไปเลยไม่ต้องไปสนใจนั่นแหละให้พยายามทำออาและถึงที่พูดมนันีก็สมควรเยเวราแลละก็ยุติธรรมแต่ เ, เพียงเท่านี้